ขอความเจริญในธรรมจะมีลท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณในวันนี้ก็จะพูดเรื่องบารมีซึ่งถือว่าเป็นฐานที่จะนำเข้าไปสู่เรื่องใหญ่คือเรื่องประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าคืออย่างที่ได้เล่าาฟังในวันก่อนว่าตำแหน่งศาสดาในพระพุทธศาสนากับศาสนาเชนนะฮะที่จริงก็มีอยู่แค่สองศาสนา เป็นเรื่องความเพียรพยายามของมนุษย์คนหนึ่งที่พยายามเอาชนะกิเลสด้วยใจตัวเองก่อนแล้วเมื่อชนะได้เด็ดขาดก็กลายเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าตอนในพุทธศาสนาจึงจำแนกพระพุทธะออกไปเป็นสามกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คืออรหันตสมมาสัมพุทธะ เราแปลเต็มๆมาท่านผู้ศัสรุดีศัสรุชอบโดยพรองเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ศัสรุตามด้วยท่านจะบริสถานเป็นรูปองค์กรคณะบุคคลเป็นศาสนาอย่างเราเนี่เราเรียกว่าพุทธศาสนาคือเป็นศาสนาของผู้รู้เป็นคำสอนของท่านผู้รู้แล้วไม่ใช่รู้ธรรมดารู้แบบศัสรุ แต่การตัดสรุนั้นที่ยิงมันเป็นผลของการเก็บสารสะสมบา ร, รมีมาโดยลำดับลักษณะของบา ร, รมีเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกกรดพวกด่าง น, นนะฮะมันจะกัดทําลายสิ่งที่โซกอโปรบออกไปหรือถ้าเราเทียบอาสวะเหมือนกับ น, น้ําขนะุรรน่นนะบารมีเหมือนกับน้ําใสมันอยู่ในสระเดียวกันนั่นแหละ แต่ถ้าเราเปิดน้ําส่ลงไปเปิดลงไปเปิดลงไปเปิดลงไ ป, ป, งไปน้ํำคูนมันจะค่อยๆจางไอ้กัวตะกรั้งหลามมันก็ตลกลงไปอยู่ข้างล่างเพราะน้ําข้างบนก็ใส่สามารถจะใช้อุปโภคบริโภคได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออุปโภคบริโภคอาจจะต้องกรองกันหน่อยแต่อุปโภคก็ใช้ได้เลยแต่ตอนนี้ตอนนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีตะกรนะฮะเพียงแต่ะกรมาอยู่ข้างล่าง เมื่อปริมาณน้ำใสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะตตะกอนมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ยากขึ้นนะครก็หมายความว่าต้องมีคลื่นต้องมีใครกวนแรงๆจริงๆจริ ง, ร ง, รงตัวนี้จึงจะเกิดขึ้นมาได้เพรลักษณะของคนที่มีคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยที่จริงก็คือบา ร, รมีของท่านแก่ก้าขึ้นแต่ใจว่าคนบางคนเนี่ยแม้จะไปพบเห็นอะไร ที่กระตุ้นกามราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะหรือกระตุ้นความเข่ากางง่ายต่างๆกระตุน้นโมหะจิตใจท่านจะเข้มแข็งท่านจะไม่อ่อนแอไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของอารมณ์ที่กระตุ้นเร่งเรา้าแล้วบางทีก็เสแสร้งนะฮะจัดขึ้นมาโดยเฉพาะแต่ว่าจิตใจท่านเข้มแข็ง ก็ผ่านด่านตรงนั้นมาได้เราคนเหล่านี้เขาเรียกคนที่มีบา ร, รมีถ้าพื้นฐานถ้าไม่ดีจริงๆก็เอาตัวไม่รอดหรอกฉะนั้ชีวิตคนบนเส้นทางชีวิตเนี่ยเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วเราก็หกล้มหมกลุ้บพอสมควรนะฮะมันก็หาคนที่ราบเรียบจริงๆนี่ค่อนข้างยากในการต่อสู้อารมณ์ภายในของเราเองเราก็ต่อสู้กันเยอะ มันก็แสดงให้เห็นว่าบารมีเรายังไม่มากพอเราจึงสามารถคืออดแอกับเรื่องบางเรื่องได้นะฮะเรื่องบางเรื่องก็อาจจะไม่อ่อนแอะแต่เรื่องบางเรื่องก็อาจจะอ่อนแอเพราะที่บารมีนะั่นคือตัวทำลายอสวะอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยอสวะตัวใหญ่ก็คือคืออวิชชาอวิชชาสวะเพราะนบารมีตัวใหญ่ก็คือวิชาคือตัวความรู้ พวกนี้มันเป็นทวิภาวะคือความจริงสองด้านจะไม่ปรากฏร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันทำนองคล้ายๆก็มืดกับสว่างนะเราสังเกตว่าในจุดใดมีแสงสว่างในจุดนั้นจะไม่มีความมืดในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันนั่นนะฮะเขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กันคล้ายๆกับร้อนกับเย็นเนี่ยเขาไม่ปรากฏร่วมกัน ในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันเปรี้ยวกับหวานอะไต่อรก็เหมือนกันนะนะฮะคือคือเป็นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามในโลกเนี่ยเพราะได้ธรรมะกับกิเลสที่เราสรุปเป็นเกาะกลุ่มมาเป็นบารมีการสวะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะไม่อยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันในขณนะเดียวกันในขณนะใดที่ประกาศแห่งบารมีได้เพิ่มปริมาณขึ้นเนี่ย ในขณะนั้นพวกอาสวะก็จะสงบความรุนแรงลงไปพฤติกรรมที่แสดงออกมาของคนเหล่านั้นก็กลายเป็นคนดีแล้วพอบารมีเต็มที่มันทำลายอาสวะคือหมายความวิชาสมบูรณ์ไปทำลายตัวอาสวะได้สิ้นเชิงก็เป็นอรหันตสมาสัมพุทธเจ้า ให้ผู้ศัตรุดีศัรุชอบโดยพรองเองแล้วก็สอนบุคคลอื่นให้ศัรุตามด้วยนะฮะนิยามสั้นๆกระทั่งก็นิยามอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันพื้นฐานตรงนี้บางครั้งก็ไม่ถึงกับตั้งเป็นาศาสนาหรอกคือความจริงในโลกมันก็อยู่ประมาณอย่างนั้นเนาะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น บางยุคบางสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าปรากฏดูแต่ว่าคนดีๆเขามีเยอะนะในสากลและพิภพเนี่ยท่านอาจจะมองจากอะไรก็ได้แล้วก็นําความคิดของท่านไปสู่การจางคลายของอาสวะทั้งหลายหมายความปริมาณความมุ่งนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ไปลดพวกกิเลสให้น้อยลงน้อยลงน้อยลง ถึงจุดหนึ่งท่านก็บรรู้ได้ตัวเนี้ท่านเรียกว่าปัจเจกะพุทธเจ้าหมายความว่าเป็นการรู้เฉพาะตัวเองปัจเจกะคุยเฉพาะตัวนะท่านไม่สามารถประดิษฐานเป็นรูปศาสนาได้หรอกแต่ท่านก็เป็นทักษิณาบุคคลเป็นปูชนียบุคคลทบุคคลในยุคในสมัยนั้นจะไหว้ท่านจะฟังสนทนาธรรมะกับท่าน เจะทําบุญดับบาปกับท่านก็ได้บุญได้กุศลมันก็อยู่ที่ใจคนนะนะทีนี้อีกกลุ่มหมนึ่งก็คือท่านที่ศึกษาพระพุทธปฏิบัติตามหลักธรรมกังโซนของพระอาหารหันตสมาสพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสุตะพุทธบ้างอนุพุทธบ้างสาวกะพุทธบ้างก็แล้วแต่จะเรียกที่จริงคําว่าสาวกาหรือสาวกกนะ เราจะเรียกในกรณีที่ท่านผู้นั้นได้ฟังธรรมะจากองศ า, ศาสดารูดตรงอย่างพวกเรารุ่นหลังเนี่ยอาตมาเองก็เหมือนกันคือไม่ควรจะเรียกตัวเองเป็นสาวกนะเรียกตัวเองเป็นพุทธศาสนิกชนเรียกเป็นภิกษุนในได้นะเรียกเป็นพระในะได้จะเรีเป็นสาวกไม่ถูกเวลานี้แม้แต่เอกสารหนังสือพิมพ์เรียก อุบาสกบาซิกาวัดธรรมกายว่าสาวกของธรรมชาญูนี่มากไปนะธรรมชาญูไม่ใช่ศาสดาเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งกันนั้นเองไม่ใช่ศาสนาก็ไปเรียกเป็นสาวกเนี่ยมันก็เกินไปหน่อยและถ้าคนที่ถูกเรียกเกิดพอใจในสถานะของสาวกคนที่รู้สึกว่าคนนั้นเป็นสาวกของตนเนี่ยก็จิตใจก็แย่นะ่ะคือผิดปกติไปเยอะเลย เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้มันเป็นคำเฉพาะที่เขาใช้เพราะในพุทธศาสนาเราจึงมีคำว่าปัจชิมสาวบกหมายความสาวบกคนสุดท้ายที่ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายเนะี่ยก็คือท่านสุพัทธ์อริภาชกฟังแล้วก็ขอบวชในพระพุทธศาสนาบรรลุมรผลน่ น, นะฮะแล้วขอบวชในพุทธศาสนาก็นั่นคือองค์สุดท้าย ในการต่อมาเราก็เรียกพระอาราหันต์เรียกว่าพระสมเรียกอะไรเราจะไม่เรียกคำว่าสาวกอ น, นี้ก็แวะไปหน่อยทังนะทีนี้พวกพวกพวกบารมีเหล่าเนี้ยที่จริงเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพวกอาสวะเพียงแต่บารมีท่านจําแนกออกไปพิศรานไปถึงสิบข้ออย่างที่เราพูดถึงบารมีสิบทัศน แต่๋ว่าย่อยออกไปอีกความตามความเข้มข้นเป็นบารมีสามสิบทัศแต่ตัวบารมีหลักมันก็มีแค่สีซึ่งบนที่จริงก็สามที่ทำไปนะฮะแต่ว่ามันมีบารมีร่วมเรความไอความทานศีลนี่คมปัญญาจริงๆก็คือทานศีลกับปัญญาในธรรมนั้นเป็นการแสดงถึงความมีทานศีลปัญญาออกมา ซึ่งเป็นรายละเอียดที่จะกล่าวในโอกาสต่อไปทีนี้ไ อ, อ้พวกบารมีตรงนี้มันมันก็เกิดเป็นปัญหาที่ว่าทำไมคนเราบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในสภาพของใกล้เกลียกินดางอย่างประเทศไทยเนี่ยเรานับถือพระพุทธศาสนาถ้าเราสืบสาวถึงที่มาจริงๆคิดเรื่องกลมๆง่ายๆนะฮะ ว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยแล้วก็มาขึ้นแถวนครใจษฎ์นะคปรปฐมสมัยนั้นแถบนี้ยังเป็นเกาะอยู่นะฮะยังเป็นทะเลอยู่ก็ตีะว่าพศสามร้อยคิดเลขกลมๆง่ายๆก็หมายความว่าศาสนามาอยู่ในดินแดนแถบนี้ถึงสองพันสองร้อยสี่สิบกว่าปีแล้ว นานหรือเกินนะนะแล้วตนะงนี้ไม่เคยเปลี่ยนศาสนาเพียงแต่ว่าจะเป็นนิกายสิราวาดหรือนิกายมายานดั น, นเองก็คือพระพุทธศาสนาแต่ก็จริงเราจะพบว่าเราก็มีปัญหาอ่อนไหวในเรื่องไม่น่าเชื่อนะฮะในเรื่องพระราตนตรยัยแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เราอ่อนไหวในเรื่องพระาราชทานใรเราไม่มั่นใจในเรื่องพระาราชทานไใจแลนับถือพระใจบางทีแบบนับถือผีแทนที่จะนับถือพระเนี่ยนับถือแบบนับถือผีมันก็กลายเป็นปัญหาในพาศของการศึกษาเรียนรู้ดําเนินชีวิตไปบนเส้นทางของความเป็นพุท ธ, ธะที่แรลวารู้ตื่นเบิกบานเราสังเกตว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ศาสนาทุกยุคทุกสมัยเนี่ย มันเกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ไม่ท่องแท้หรือไม่ถูกต้องชัดเจนในจุดที่ควรใช้ความเชื่อก็เชื่ออิเล็กเค่ะไปเลยไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะคือบางครั้งเราเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเลยอย่างในกรณีเนี้ยกรณีถึงคสสองพันเนียนะท่านก็กำลังสัมผัสกันอยู่กับไอ้คสองพันเนี้ยนะ มันไม่รู้เกี่ยวอะไรนะขอ ส, อสองพันเนี่ยมันเป็นเป็นจักรราศีเฉยๆแล้วที่จริงพอส อ, สองพันห้าร้อยสี่สิบสามก็ไม่มีนะฮะเพราะโลกบนมอายุเป็นกี่ล้านกี่กี่ล้านปีมาแล้วก็ไม่รู้นะฮะเพียงแต่ว่าเรากำหนดหมายจากการนับในาศาสนานั้นๆ หรือประเทศนั้นๆก็ไม่ได้ใช้กรณีของศาสนาเสมอไปจรัตนาโกสินโศบนี่เราก็นับจากปีที่สร้างกรุมรัตนาโกสิ์เป็นต้นมาปีนี้ก็ได้เท่าไหร่ละ229ปีที่229ก็เพิ่งแค่200ท่านั่นเองแล้วจนถึงกับมีการนำไปพูดที่น่าเกลียดนะฮะใช้คำว่า เขาเรียกว่าศา ส, สตรสวัรษ์ที่สามแห่งพารตะนัตไรแล้วเราก็ชื่นชมนะศา ส, สตสวรรษ์นับพันปีนะฮะรอบพันปีนะใครจะไปอยู่ได้รอบพันปีอย่างมากเนี่ก็พูดแค่ศตวตรรษคือรอบร้อยปีหรือทศวรรษรอบสิบปีเอาแค่สิบปีไปก่อนเนี่ยนะทีนี้ปัญหาว่า สามศตวรรษแห่งพระตนตรายณ์นี่หมายควา ม, มเาาป็นยังไงเราผ่านสามร้อยปีไม่ใช่เราผ่านศตวรรษที่สามมาตั้งแต่ศาสตวรรษที่สมนะฮะศาตสตตวรรษที่สามเราผ่านมาตั้งแต่เท่าไหร่อะตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยไม่ใช่ยุคอยุธยานะฮะยุคายาค่อนมาทางตอนกลางเลยจำไปอย่าลืมนะห้าร้อยสี่ิบสามปีมาแล้วกรุงรัตนโกสินทร์ก็แค่สองร้อยี่สบเก้าปีเท่านั้นเอง แล้วเราก็บวกก็อีกตั้งเทา่าไรล่ะปลูกสามรกว่าปีนะฮะเกือบหมดอะยุทยาเลยนะฮะไม่ใช่เล่นนะรามาทั้งนานแล้วนะทำไมเพิ่งมันอะไรขึ้นมาไมหร้แล้วเราก็ได้ตื่นเต้นกับเขาขนั้นแส ด, ง, ดงว่าลักษณะความเชื่อการคิดเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไร นี่นอน Y2K นั้นเป็นเรื่องของของที่จริงมันเป็นเรื่องตั้งตัวเลขในองคอมพิวเตอร์แต่นั้นเองฮะแต่ ต, ตัวเลขย่อกเกินไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รับสั่งว่ารายวิสัยทัศน์คือขาดวิสัยทัศนะ์กันฮะไปตั้งตัวเลขน้อยไปแล้วก็เสร็จแล้วพอถึงเวลาก็กลัวว่าเลขเดี่ยวมันจะมีปัญหาก็ที่ที่ที่ตื่นเต้นนะกันเนี้ยก็ไม่ได้สนใจในเรื่องอื่นนะฮนะ แต่ว่าเราก็ไปสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วคนก็ไปรับประเด็นตรงนี้เช่นบอกว่าน้ำจะท่วมโลกโลกจะแตกอาอสมมติว่าน้ำท่วมโลกไปยุ่งอะไรมันโลกจะแตกแล้วไปยุ่งอะไรมันก็แตกก็แตกท่วมก็ท่วมปัญหาที่เราต้องคิดต่อเอาน้ำมาจากไหนท่วมโลก แล้วโลกจะแตกมนะันทําทำยังไงจึงแตกโลกมันไม่ใช่เล็กๆนะทำยังไงจริงแตกแล้วต้องมีเหตุผลเรบอกว่าดาวแปดดวงจะชนโลกทําไมดาวจึงมาชนโลกมันไม่ใช่เรียกงง่ายมันก็เรียนวิทยาศาสตร์เรียนอะไรมาเยอะเลยะแล้วเป็นนักวิชาการนะนั้นคือหน้ารังเกียจหรืว่าเป็นนักวิชาการนะออกมาพูดใจใจใจใจใ จ, จคือแสดงให้เห็นถึงอะไร แสดงให้เห็นเรื่องอวิชชานี่ยังมีอยู่เยอะเลยแล้วก็ทํมาลกกลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวสมมติว่าโลกมันจะแตกจริงเนี่ยจะกลัวอะไรมันโลกไม่แตกเราก็ตายนะโลกแตกเราก็ตายเร็วขึ้นกับทานั้นเองแล้วจะป้องกันอะไรมันได้ก็โลกมันก็มีอยู่โลกเดียวเราก็หอบหนีไปโลกอื่นไม่ได้ แต่อย่าลืมนะฮะว่าคนเรานั้นเราเวียนไหวในสังสารวัฏไม่จะเวียนไหวในโลกนี้ถ้าใดเรามีกิเลสมีกรรมอยู่สมมติว่าโลกแตกน้ําท่วมโลกอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วเราก็ตายแล้วก็ตายเราก็ไปเกิดที่อื่นถ้าไม่เกิดได้ยิง่งดีเลยทําไปเพราะอนิพพานนะั่นคือการไม่ต้องเกิดอ่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้หรือเงื่อนไขของมันเราก็ต้องเกิดอีกแล้วก็มีโลกให้เกิดเยอะ ไม่ต้องไปกลัวนะอันนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นด้วว่าพื้นฐานทางบารมีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคือปัญญาบารมีนี่จะอ่อนมากแล้วก็ทำให้เราถูกหลอกถูกต้มได้ตลอดจนเวลาเนี้ยบางครั้งเนี่ยเรามองคอมพิวเตอร์เป็นเทพเจ้าแตมาเองยังมองเป็นอันตรายนะฮะว่าโอกาสต่อไปเนี่ย คือคนคิดน้อยลงแม้แต่เลขสามหลักเนี่ยยังต้องกดเครื่องคิดเลขเลยเคยถามเด็กนะดึเงเครื่องคิดเลขขึ้นมาคิดแล้วว่าตายแล้วขนาดนี้ก็ยังคิดไม่ได้ปัญหาว่าถ้าเราไม่ใช้ความคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปจะเป็นยังไงในสุดนี้จะมีชนชาติหนึ่งเข้ามา ขายเครื่องบริการความสะดวกสนองความขี้เกียจของมนุษย์นะฝึกแค่กดปุ่มอ่ะไอ้ทําไงมันก็ดีกว่าลงทนสร้างคุณนะแล้วก็ ก, กดปุ่มฝืกก็กดปุ่มก็คือท่าที่ปล่อยไปไหนไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะทำมากินอะไรนอกจาก ก, กดปุ่มอย่างที่ก็าฝึกไปกดก็จำทรงเงินแค่นั้น เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องบารมีเนี่ยมันที่จริงก็คือการพัฒนาคุณธรรมเพิ่มขึ้นภายในใจพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาของความเพียรพยายามแม้แต่ศาสดาเองเนี่ยไม่มีอะไรลอยๆเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตขององค์ศาสดาเป็นความเพียรพยายามที่ต่อนื่องโดยปรองเอง แล้วก็ฝากความอุปสรรคอันต ร, รายมาเป็นอนเนกันนั้นก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ทำให้รัตรู้ทีนี้ทำไมจึงนำเขาสู่ร่มประพูธิญาณคือจากการสังเกตยัยงที่เคยเล่าฟังในวันแรกนะว่าแตา ม, มาทำงานภาคสนามตรงนี้มานานเลยก็สี่สิบกว่าปีนะฮะแล้วเวลานี้เราก็ยังนั่งคุยกับเด็ก ยันั่งอบรมเด็กนั่งคุยกับเด็กนั่งคุยกับนักโทษนั่งไปได้ทุกแห่งแล้วเราก็มองเห็นว่าคนเราถ้าจับกฎของกรรมได้นะฮแต่อย่าลืมว่ากฎของกรรมมันไปเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าสรุปไม่ง่ายว่าจับที่ตถาคตโพธิสัต t h ได้คือเชื่อมั่นในการศัตรูของพระพุทธเจ้าได้อย่างอื่นไม่เขว แต่ที่เผยให้ลองสังเกตเนพระพุทธเจ้ามีความสําคัญน้อยลงไปด้วยแล้วบางทีคนก็ไม่สังเกตรเราดูง่ายๆนะว่าเช่นสมมุติว่าคนที่มาหาเราเรานั่งอยู่ใกล้พระพุทธรูปนะฮะเวียไว้แต่เขาไม่เห็นรอีกเรื่องหนึง่งแล้วเขาไม่ไหว้พระพุทธรูปเขาไหว้เราก่อนนะเนี่ยก็ไม่ถูกต้องแล้ว แต่ตามไม่มีพุทธรูปกว่าอีกเรื่องหนึ่ ง, งนะชาวพุทธที่ดีเมื่อไปหาพระสงฆ์คือต้องมองหาพระพุทธรูปก่อนว่าบางทีตอนรับแขกมีพุทธรูปอยู่ใกล้ๆเราก็กราบพระพุธรูปเสียก่อนแล้วก็กราบพระสงฆ์พระสงฆ์เองก็เหมือนกันเมื่อนั่งมันก็ต้องกราบพระพุทธรูปหรืออย่างน้อยที่สุดต้องยกมือไหว้เสียก่อนก็อยู่ที่กาลาเทศะหน่อยนะ่ะ มันแสดงเห็นว่าเราให้ความสำคัญแก่พระพุทธเจ้าพระตรูปนั้นที่จริงก็เรียกพุทธปฏิมาเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปเปรียบเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าทาให้ใจเราน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าทีนี้แต่เราจับลักหลักตรงนี้ได้นะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนรุ่นใหม่บางทีไปอ้างเรื่อง ไม่เห็นไม่เห็นด้วยตาไม่เชื่อบางทีก็ต้องอุปมารแรงๆแล้วแกก็พยักหน้าแล้วหัวเราะเลยแล้ต่อมาคืออุปมาบ่อยนะคือคือเราไม่อยากจะพูดมากอ่ะพอแกตั้งประเด็นตรงนี้เข้ามาบอกว่าถ้าเธอจะต้องตัดสินด้วยการเห็นเสมอไปหรือถ้าไม่เห็นเธอไม่เชื่อใช่ไหมะแกก็ใช่แกว่าเด็กแกก็ไม่คิดรบอบคอบอะไรนะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ยุ่งแล้ว เพรา ะ, ะรเพราะว่าแม่ของเธอที่เธอเรียกว่าแม่เนี่ยเป็นแม่จริงหรือเปล่าเธอรู้ได้ยังไงเธอเห็นตอนท่านคลอดเธอมาหรือเปล่าเห็นไหมว่าเอาใครจริงไม่เลยนะไม่มีใครเห็นเรอกเห็นก็ไม่รู้เราใช้ความเชื่อคุณตาคุณยายคุณลงุงคุณป้าคุณน้าคุณอายิ่งไปใหญ่เลยวงศากระายานเนี่ย แม่ต้องบอกพ่อต้องบอกนะฮะแล้วเราก็เชื่อตามที่ท่านบอกแล้วถ้าต้องการพิสูจน์เราเห็นหรือเปล่า<ม>ที่เราเชื่อว่าคนนี้คือพอ่อคือแม่ก็เปล่าแต่นั่นคือแสดงว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันใช้ความเชื่อเป็นหลักเพียงแต่ว่าอะไรควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อนี่คือประเด็นที่เรายุ่งมากนี่คือเชื่อในเรื่องที่ไม่ควรเชื่ออย่างเงี้ยโลกจะแตกน้าจะท่วมโลก ดาวแปดดวงจะชนโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยตลอดถึงดาวหางปรากฏการณ์ต่างๆก็ว่ากันเร่ๆที่แสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นดึงว่าบทจะใช้ปัญญาเข้าจึงก็ไม่มีปัญญามากพอตรงไหนควรจะใช้ความเชื่อเลยไม่อยอมใช้ความเชื่อพอไม่ใช้ความเชื่อเลยเคว้งเลย เพราะในกฎของกรรมเนี่ยที่จริงมันก็แสดงสองสองลักษณะนะฮะลักษณะหนึ่งเป็นปัญญาลักษณะหนึ่งเป็นศรัทธาก็ ค, คล้ายๆกับพัฒนาการในตัวเรากว่าจะโตเดินได้ทําการงานได้เราก็อิงพ่อแม่มาก่อนเห็นไหมฮะกว่าจะโตได้กว่าจะใช่เหตุผลเดินได้ระวังตัวเองได้หรือแม้แต่ช่วยนํำพ่อแม่หรือจูงพ่อแม่ได้เนี่ยเราต้องผ่านการเกาะอิงท่านมาก่อน และสะสมข้อมูลสะสมความรู้ความเข้าใจมาตามลำดับจนถึงจุดเดินเราก็สามารถจะจูงพ่อแม่ได้โดยทำไปทั้งฟังทั้ไหลายใตร่มพระโพธยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเทิน